คอลัำำมธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่สามถามนั่งสมาธิแล้วรู้สึกยุบยิบบนใบหน้าที่จริงก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนื้อตัวหน้าตาก็น่าจะสะอาดสะอ้านพอประมาณก่อนคู่ขาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเนี่ยแต่ทำไมยังคันยุบยิบอยู่ได้บางครั้งจะเป็นที่มุมปากจมูกหนังตาแม้กระทั่งในลูกตาก็เคยเป็น ทำไมถึงได้รู้สึกยุบยิบบนใบหน้าอยู่ได้ตอบเรื่องนั่งสมาธิแล้วคันเหมือนมแมลงไตเนี่ยบางสำนักเขาว่าได้วิปัสสนาญาณความจริงไม่ใช่ญาณอะไรหรอกครับมันเป็นอาการของจิตเส้นมากกว่าอย่างอื่นและเกิดจากอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เคยสังเกตยอย่างหนึ่งว่าถ้าช่วงไหนศีลของเราหมองมัวเช่นเผลอไปเหยียบมแมลงโดยไม่เจตนา จิตจะมองหน่อยเพราะสงสารมันเวลามันนั่งสมาธิจะคันยิบยิบถ้าแผ่เมตตาแล้วก็จะหายแต่อันนี้ไม่มีข้อยุตินะครับว่าจะต้องจริงอย่างนี้เสมอไปบางคราวจิตก่อนจะถึงความสงบก็มีอาการใส่และปรุงแปลกๆได้เหมือนกันถ้าถือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้มันก็หมดความหมายไปเองครับถาม ตามดูให้รู้ทันจิตให้ทันสักระดับไหนโกรธแล้วจึงนึกได้ว่าโกรธหรือว่ากำลังโกรธและนึกได้ไปพร้อมกันหรือว่ารู้ว่ามีเหตุและกำลังจะเกิดความโกรธในเมช้าต่การเจริญวิปัสสนานั้นท่านให้รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงและคำว่ารู้ตามความเป็นจริงนั้นหมายความว่า อะไรปรากฏให้รู้ได้ก็รู้ตามนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ความจริงทั้งหมดเพราะเรายังไม่สามารถจะรู้ความจริงทั้งหมดได้เช่นเราถูกด่ามารู้ตัวเอาตอนที่โกรธแล้วอย่างนี้ก็ยังใช้ได้ไม่ต้องถึงขนาดรู้ตั้งแต่เสียงกระทบหูแล้วรู้ว่าจิตไหวตัวขึ้นจากภาวังอันนั้นเป็นความจริงในกลไกาการทำงานของจิตแต่เกินกว่าสติปัญญาเราจะรู้ได้ตอนนี้ ตรงเนี้ยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ของจริงที่ปรากฏให้รู้ได้ก็พอแล้วหัดใหม่ๆถ้าโกรธไปแล้วสามวันก็นึกได้ว่านี่เรากาลังโกรธอยู่อันเนี้ยก็ถือว่ายังดียังใช้ได้เพราะขณะนี้รู้ว่ากาลังโกรธอยู่แต่ถ้าเมื่อครู่นี้โกรธแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วแล้วนึกได้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธ อย่างนี้ไม่ใช่วิปั ส, สนาเพราะไม่รู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอันนี้รวมทั้งอย่าไปคาดเดาถึงอารมณ์ในอนาคตเช่นพอถูกด่าก็รีบจ้องที่จิตกะว่าอีกระเด๋ยวความโกรธจะโผลมาให้เห็นอย่างนั้นความโกรธมันจะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันเขินที่ถูกจ้องแล้วก็ไม่ใช่วิปัสนาด้วยแต่เป็นการคาดเดาล่วงหน้าแล้วคอยดักดู ดังนั้นถ้าอารมณ์ใดปรากฏก็รู้ไปเถอะครับถึงจุดหนึ่งสติจะไวขึ้นถึงขนาดปกติก็รู้ตัวอยู่เห็นจิตสงบเบิกบานว่างอยู่เฉยเฉยพอถูกด่าจิตไหวตัวขึ้นก็รู้แล้วความไหวก็ดับไปความโกรธไม่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปคอยจ้องจ้องมากๆแรงๆใช้ไม่ได้หรอกครับในวงเล็บตรงจุดที่รู้อย่างพอดีพอดี ไม่เพ่งและไม่เผลอเป็นปัจจุบันนั้นอธิบายยากครับต้องหัดทำเอาเองจนรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนวงเล็บปิดถามถ้าทำอนาปนาสติในวงเล็บ ก, กำหนดสติระลึกรู้ลมหายใจวงเล็บปิดจนกระทั่งได้ฌานแล้วจะน้อมเข้าวิปัสสนาต้องขอยมาที่อุปจาระสมาธิหรือเปล่าครับตอบ เมื่อดำเนินจิตจนถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานแล้วหากจะทำสติระลึกถึงกายจำเป็นต้องถอยออกมาครับเพราะในอัปปนาสมาธินั้นพิจารณากายไม่ได้แต่ในอัปปนาสมาธิสามารถเจริญวิปัสสนาด้วยการระลึกรู้นามธรรมได้คือถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกเพียงว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีความคิดและคำพูดเข้าไปเจือปนและไม่มีความจงใจจะพิจารณาหรือรู้ความเกิดดับด้วยนะครับเพียงแต่จิตเขารู้ความเกิดดับของนามธรรมด้วยความชำนาญเป็นอัตโนมัติเท่านั้นผมเองในขั้นที่จะภาวนาแตกหักก็เข้าไปเดินวิปัสสนาในฌานที่7และเข้าพักในฌานที่8จากนั้นก็ทิ้งฌานตัดกระแสเข้าหาธรรม หลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็ทำแบบเดียวกันนี้คือถึงจุดนั้นท่านเล่าว่าเหลือแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปจิตไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรท่านว่าอันนี้คือวิปัสสนาในขั้นละเอียดของจิตท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าในสัญญาสมาบัติหรือสมาบัติที่ยังมีสัญญาสามารถทาวิปัสสนาได้ การส่งผลไร้ระยอาจลึกลับนนงสทไรทดีหรือ